ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่สามสิบสามนี่พูดถึงเรื่องไต่สิกขามันก็ย่อมไปเกี่ยวพันกับเรื่องมรรคเป็นธรรมดาทีนี้เราพูดกันมาแต่เรื่องไต่สิกขาสืบเนื่องมาเรื่องจากเรื่องอื่นๆทีนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องมรรคไว้ เวลาไปมีเรื่องเกี่ยวข้อง ก, ก็เลยเกิดความปัญหาหน่อยอย่างงี้ว่าถ้าไม่มีพื้นมาก็จะงงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนึกว่าจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องมัสนิดหน่อยพอให้มีความรู้พื้นฐานที่จะมาโยงกันได้เท่านั้นนะคือยังไม่พูดละเอียดลึกซึ้งอะไรมัศ ก, ก็คือข้อปฏิบัติ ที่จะให้ถึงความดับทุกข์อันนี้แปลเป็นภาษาแบบประเพณีนะฮะแต่ที่จริงนั้นแปลว่าทางมร์ ก, กับทางก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วคำว่า ม, มร์มอรหันคอก็ใช้ในภาษาไทยด้วยแปลว่าทางทีนี้ทางนั่นก็สําหรับสามัญก็หมายถึงทางเดินถนนอะไรพวกนี้ น, นี้เอามาใช้กับเรื่องธรรมะก็หมายถึง ทางดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตอันนี้การที่จะดําเนินชีวิตก็พูดในแง่ของการปฏิบัตินั่นเองคือเรื่องของการที่จะปฏิบัติธรรมหรือเอาสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ควรจะประพฤตินํามาปฏิบัติตามอันนี้เรื่องมาก็เลยเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติ แต่ว่าถ้าจะแปลให้ตรงก็แปลว่าทางก็คือทางดำเนินชีวิตที่จะนำไปสู่จุดหมายของพุทธศาสนาได้แก่นิพพานแล้วกันิพพานนี้จะเรียกอย่างอื่นก็ได้จะเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นเป็นสันติเป็นความสุขเป็นอิสระภาพก็แล้วแต่จะใช้ถ้อยคำ แต่ก็รวมความก็คือว่ามรรคนี่เป็นทางดำเนินชีวิตที่จะให้ถึงจุดหมายนั้นอันนี้ถ้าพูดดีคำหนึ่งก็อาจจะใช้คำว่าวิถีชีวิตก็ได้ในทางดำเนินชีวิตวิถีชีวิตที่นำไปสู่จุดหมายก็เป็นวิถีชีวิตที่ดีงามอันนี้ก็มาคู่กับสิกขา ในแง่ที่ว่ า, เ, าเราต้องการจะมีชีวิตที่ดีงามดาเนินชีวิตได้ถูกต้องจะทำอย่างไรล่ะเราก็ต้องมีความรู้นะเราก็ต้องฝึกตัวเองเพราะว่ามนุษย์เหล่านี้จะทำอะไรเป็นต้องฝึกต้องเรียนรู้ทั้งนั้นฉะนั้นก็เลยต้องมีศิกขามาเพื่อจะมาช่วยให้เรานี้สามารถดาเนินชีวิตที่ดีงามได้เพราะฉะนั้นศิกขากรรมมกรคในเท่ากับ ว, ว่า ต้องมาควบคู่กันไปได้วยกันแตอว่าศึกขาก็เป็นการฝึกหรือการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนฝึกตัวเองไว้อย่างไรก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างนั้นนะศึกขาก็มาทำให้เรานี่ได้มีมักที่ถูกต้องก็เนื่องกันอย่างที่ว่านี้นะฮะ สิขาเป็นการฝึกฝนฝึกฝนพัฒนาแล้วก็มรรคก็เป็นการดําเนินชีวิตทีนี้ศิกขาก็มีสามด้านคือฝึกในด้านพฤติกรรมเรียกว่าศีลด้านจิตใจมีสมาธิเป็นประธานแล้วก็ด้านปัญญาทีนี้พอมาดําเนินชีวิตอา่าวบอกว่าบอกแล้วว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นเพราะนั้น ก็ฝึกแล้วดําเนินชีวิตยอย่างไรก็ดําเนินชีวิตก็คือว่าจะได้มีพฤติกรรมมีจิตใจแล้วก็มีปัญญานะ่ยที่มันพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ดําเนินไปได้ดีๆเพราะฉะนั้นสิกขาสา ม, มีสีสมาธิปัญญาฉันใดมักก็แยกออกไปเป็นสมเป็นสีสมาธิปัญญาฉันนั้นนะีก็ตรงกันอย่างที่บอกแล้วฝึกอย่างไรได้อย่างนั้น แต่ทีนี้ว่ามรที่ว่าแบ่งเป็นประเภทสามด้านคือศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ายังย่อยออกไปอีกให้เห็นองค์ประกอบให้มันชัดขึ้นนะแยกย่อยลงไปจากสามก็เลยกลายเป็นแปดเรียกว่าองค์ประกอบของมรแปดอย่างหรือเรียกง่ายๆว่าองค์แปดของมร อ, องค์แปดของมรนี่ก็อ่าก็มีหนึ่งสมาธิทธิ แปล ว, ว่าความเห็นถูกต้องหรือความเห็นชอบคือความรู้ความเข้าใจความเชื่อความเห็นการยึดถือหลักการต่างๆที่ถูกต้องนี่เป็นข้อที่หนึ่งเรียก ว, ว่าสัมมาทิฏฐิพอมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นความเข้าใจถูกต้องแล้วก็มีความคิด การตั้งจิตตั้งใจที่จะทำการต่างๆนี้สอดคล้องกับความเห็นความเชื่อ น, นั้นความคิดความตั้งใจความดําริอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาสังกปะนะแต่ว่าความดําริชอบได้สองละสองอย่างนี้จะได้จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความคิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญานะก็เป็นอันว่าสองข้อแรกนี้ได้ เป็นหมวดที่หนึ่งและคือปัญญานี่ต่อไปจากความคิดก็จะออกมาสู่การกระทาการกระทาก็มาทางวาจาก็พูดคิดอย่างไรเข้าใจอย่างไรคิดแล้วก็พูดตามนั้นเนื้อมีความเข้าใจมีความเห็นถูกต้องคิดถูกต้องแล้วก็พูดถูกต้องไปตาม การพูดถูกต้องนี้ก็เรียกว่าสัมมามวาจาแปลว่าเจรจาชอบหรือพูดชอบพูดถูกต้องนั่นเองในนี้นอกจากพูดถูกต้องแล้วกระทําออกไปทางกายการแสดงออกทางกายก็เป็นการกระทําที่ถูกต้องด้วยการกระทําถูกต้องนี้ก็เรียกว่าสัมมากัมมันตะนะสัมมากัมมันตะว่าการกระทําที่ถูกต้องหรือ ก, การกระทําชอบ โบราณก็แปลว่าการงานชอบเราแปลเป็นการกระทาชอบดีกว่าจะได้ไม่ไปสับสนกับเรื่องของการเลี้ยงชีพนี้ต่อไปก็การเลี้ยงชีพการประกอบอาชีพการงานที่เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ของชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันก็จะต้องอาศัยความเชื่อ ความเข้าใจและก็การคิดที่ถูกต้องเมื่อเชื่อเห็นเข้าใจถูกต้องคิดถูกต้องก็จะประกอบการอาชีพที่ถูกต้องไปด้วยแต่เห็นว่าการทํร้ายทำร้ายสัตว์อื่นมันดีไม่เสียหายอะไรการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตก็เบียดเบียนสัตว์อื่นได้แต่ถ้าหากว่า มีความเห็นว่าเออการเปียดเบียนกันไม่ดีฆ่ากันไม่ดีอาชีพอะไรที่มันเป็นการทำร้ายคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงใช่ไหมก็สอดคล้องกันอย่างนี้เป็นต้นนี้สัมมาวาจจะเจรจาชอบหรือพูดถูกต้องสัมมากรรมตะกระทาการถูกต้องแล้วก็สัมมาชีวะ เลีชีวิตถูกต้องนี้จัดเป็นหมวดศีลนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วนั้นก็อยู่ในหมวดศีลสข้อแล้วต่อไปก็ในการที่เราจะพิสูปฏิบัติให้ถูกต้องนําความรู้ความเข้าใจมาสู่การปฏิบัติต้องมีด้านจิตใจหนุนนะมีกําลังมีความเข้มแข็งมีความเพียรพยายามมี จิตใจที่เหมาะกับการใช้งานมันหนุนนะหรือว่ามีตัวการคอยมีสติคอยระลึกถึงสิ่งที่ทำมันก็ทำให้ทำการนั้นได้ผลดีเพราะฉะนั้นด้านจิตใจก็ต้องมนหนุนด้วยก็เลยตามด้วยด้านจิตอีกสามข้อก็เป็นข้อที่หก็คือสัมมาวายามแะแปลว่าความเพียรพยายามชอบ เพียงพยายามถูกต้องแล้วก็ต่อไปก็สัมมาสติความระลึกชอบแล้วก็สุดท้ายสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบสามข้อนี้ก็เป็นหมวดสมาธิก็แปลว่าครบองแปดของมัคแล้วก็จัดมาก็เป็นสามหมวดอย่างที่ว่าก็เป็นเพียงการแยกซอยให้เห็นว่าด้านศีลแยก ละเอียดลงไปอย่างไรสมาธิแยกละเอียดลงไปอย่างไรปัญญาแยกละเอียดอย่างไรแต่ที่จริงไม่ใช่ละเอียดจริงละ่ะนี่คือการแยกเฉพาะส่วนที่นับว่าเป็นองค์ของมรรคคือเป็นองค์ประกอบส่วนที่เป็นสําคัญที่จะให้วิถีชีวิตที่ดีงามนี่มันดําเนินไปได้นะแต่ว่ารายละเอียด ในชีวิตของคนเนี่ยอย่างด้านจิตใจเนี่ยมันมีเยอะแยะไปมีอีกมากมายกว่านีนะ้มีเป็นหลายสิบอย่างนะไม่ใช่แค่ว่าด้านจิตใจมีสามอย่างด้านปัญญาก็มีเรื่องเยอะแยะความรู้ความเข้าใจของคนด้านศีลความประพฤติก็มีรายละเอียดเยอะแยะแต่โดยหลักๆ ก, ก็แยกได้เท่านีนะ้เพราะเป็นตัวประกอบสาคัญในการที่จะมาทำการนี่เราพูดกันไปแล้วถึงด้านศีล ไปแยกในแง่เขาสิกขานี่ด้านของมรคนี่จะเห็นว่าไม่ได้แยกเป็นหมวดแบบว่าเป็นด้านอาชีพไม่ได้แยกเป็นด้านอะไรนะเกี่ยวปัจจัยสนนนิษสิณปาฏิโมกขสังวรสีไม่ได้แยกแบบนั้นมาแยกเอาด้านกายวาจาและอาชีพเนี่ยจะเห็นว่ามันจะไปทำอะไรก็ตามมันก็อยู่ในสามอย่างนี้เนี่ย นิกายด้านการแสดงออกทางกายก็จะทำอะไรก็ทำแต่ขอให้ปราศจากการละเมิดทำลายชีวิตร่างกายผู้อื่นปราศจากการล่วงละเมิดทรัพย์สินผู้อื่นปราศจากการละเมิดคู่ครองของรักหงแหนผู้อื่นนะแล้วจะทำอะไรก็ทำไปมันไม่ใช่หมายความว่ามีแค่ไปเว้นแต่หมายความเป็นการสัจจาที่ว่าปราศจากไอเนี้ย เป็นอันว่าใช้ได้เแต่วาจาก็พูดเนี่ยพูดจะให้มันเป็นวาจาเท็จนี่ยังแคบที่สุดแต่ท่านขยายในมรรคนี้ท่านจะพูดถึงว่าเว้นจากวาจาเท็จแล้วก็ยังมีเว้นจากวาจาหยาบคายเว้นจากวาจาสอดเสียดเว้นจากวาจาเพ้อเจ้อนีนแล้วเมื่อเว้นจากวาจาประเภทนี้แล้วก็พูดอะไรก็พูดไปนีมันก็จะเป็นวาจาที่ใช้ได้นีย ซึ่งมันจะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยเรื่องวาจาแต่ว่าขอให้ปราศจากไอ้พวกที่วานอาชีพก็เหมือนกันก็จะให้มันเป็นอาชีพที่เสียหายซึ่งมันก็จะโยงมาหาในเรื่องของวาจาและก็กรรมมันตะนั่นแหละเนี่ยก็อ่าประกอบอาชีพซึ่งมันทาไปแล้วมันก็ไม่มีการพูดเท็จทำลายผลประโยชน์ของเขาหลอกลวงเขาแล้วก็ อาชีพนั้นมันก็ไม่ก่อการเบียดเบียนทำร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นนะไม่ไปละเมิดทรัพย์สินผู้อื่นไม่ไปละเมิดคู่ครองอะไรเขาใช่ไหมอาชีพประเภทนี้โดยหลักการก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อกาหนดในสังคมขึ้นมาอีกว่ามีอาชีพอะไรที่เสียหายที่ไม่ยอมรับในสังคม ในคาถาก็จะมีรายละเอียดเช่น ย, ยังมีการกําหนดอาารินยนิยวินิจชาการค้าที่ไม่ควรทําหรือเรียกในภาษาสมัยหลังว่ามิจฉาวณิจชาการค้าขายที่ผิดเลยเนี้ก็จะแยกรายละเอียดไปเรื่อยๆถึง่าเป็นพระภิกษุนี่ก็จะมีรายละเอียดว่าอาชีพอะไรทําไม่ได้การเลี้ยงชีวิตอย่างไรไม่ถูกต้องเรื่องรายละเอียดอย่างนี้ก็ขยายไปเรื่อยแต่ว่าโดยหลักการก็จะพูดไว้สั้นๆเท่านั้น ก็ไปอันว่าเรื่องศีลนี่เราพูดกันไปแล้วว่ามันก็แล้วแต่ว่าจะไปอยู่ในสภาพชีวิตอย่างไรอย่างของพระภิกษุมีปาฏิโมกขสังวรศรีลที่แยกเป็นสิกขาบท227สิบและยังมีสิกขาบทนอกปาฏิโมกขอีกเป็นหลายร้อยหรือเป็นพันของภิกษุณีก็สิกขาบทในปาติโมกขสามร้อเป็นตน้นถ้าเป็นคารร้อหัตก็ เอาหลักๆเป็นสิกขาบทห้าแล้วก็มาดูกันว่าจะวางวินัยอะไรแต่ อ, อะไรอย่างไรนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้รายละเอียดพิจิตพิสดารนี้ก็มีเรื่องเยอะแยะพูดถ้บจะไม่มีทิศสิ้นสุดจะหลักการก็ได้อย่างที่วะสำหรับชีวิตพระจัดเป็นสีหมวดอย่างทีวะนะ<ส>ก็เรื่องศีลก็คิดว่าพูดกันไปแล้วเท่านั้นก็น่าจะพอทีนี้เรื่องของ สมาธิหรือด้านจิตใจเนี่ยก็มีแค่สามข้อสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติและลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบสามข้อนี้ก็คือความเพียรสติและสมาธิเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานด้านจิตใจของมนุษย์นะ ที่จะให้ทุกอย่างดำเนินไปได้คุณสมบัติอย่างอื่นมีอีกเยอะแยะแต่ท่านไม่เอามาพูดถึงเพราะเจ้าสมตัวนี้เป็นสิ่งที่ต้องการทาประจำ อ, ะอย่างเวลาพูดถึงผู้ปฏิบัติกรรมฐานจะเห็นว่าเจ้าสามตัวนี้จะเด่นขึ้นมาเลยหรืออย่างแม้แต่ไปปฏิบัติวิปัสสนาไปบาเพ็ญสติปัฏฐานสนะก็จะมีอาตาปีสัมปชาโนสติมานะ อาตาปีก็เพียนพยายามนี่อยู่ใน ส, มาาามสัมมาพยาญชนะสัพพชาโนสัพพัญญานะเป็นเรื่องปัญญาและเป็นเรื่องวิปัสสนาแต่ว่าสติมามีสติแต่พร้อมกันนี้สมาธิก็ต้องเป็นฐานรองอยู่ถ้าจิตไม่มีสมาธิบ้างเลยก็ทำงานไม่ได้ผลใช่จิตไม่เหมาะกับการใช้งานอย่างที่เคยพูดไปแล้ว สมาธิก็ต้องรองรองรับไว้แต่ในการปฏิบัติวิปัสนาอย่างสติปัฏฐานสมาธิไม่ใช่ตัวเด่นไม่ได้ต้องการสมาธิลึกซึ้งนัดกลับเป็นว่าตัวสติเนี่ยเด่นใช่ไหมแต่ว่าถึงไงสมาธิก็ต้องรองรับเป็นฐานอยู่มีสมาธิอยู่บ้างแต่ก็จะได้เห็นว่าแม้แต่ไปปฏิบัติวิปัสนาซึ่งไม่ต้องการสมาธิบ้างไม่ไอเจ้าองค์ประกอบฝ่ายจิตคือความเพียรแล้วก็สติเนี่ยก็ต้องทํางาน เป็นกาเป็นกำลังสําคัญที่ในการดาเนินชีวิตของคนก็เหมือนกันแหละในด้านฝ่ายจิตเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งตัวความเพียรเนี่ยอยู่ใช่ไหมถ้าไม่มีตัวความเพียร น, นี่แล้วอะไรมันจะมาทำงานใช่ไหมนี่ฉะนั้นคุณสมบัติอื่นๆนี่เป็นตัวประกอบอยู่นี่อันนี้แม้จะโกรธนีจะทําตามโกรธก็ต้องมีความเพียรใช่ไหม แต่ว่ามันไม่เป็นสัมมาวายามะและไม่เป็นไม่เป็นพยายามชอบเป็นมิจฉาวายามะไปในกรณีนี้เราต้องการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องออวายามะความเพียรพยายามก็มาแต่เป็นสัมมาวายามะแต่ว่าคุณสมบัติอื่นอะไรก็ตามที่จะมามีผลในทางที่จะปฏิบัติการในการดำเนินชีวิตได้ก็ต้องมีตัววายามะความเพียรต้องมีสติคอยกำกับคอยเรียกมาคอยจะ ให้เอาใจใส่ก็ไอ้เจ้าตัวนี้คุณสมบัตินี้จะพัฒนามันขึ้นมานะหรือจะใช้งานมันก็ตา ม, ม, ก, ตา ม, มก็ต้องมีสติเท่านั้นแล้วสมาธิก็เป็นฐานรองรับอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะเพราะจะทําให้คุณสมบัติเหล่านั้นตั้งอยู่ได้จะเรียงอกงามได้ไม่งั้นหล่นละีเนร น, นาศหายหมดนะนั่นก็เลยเนี่ยสามตัวในีฝ่ายจิตมันก็มีสมาวายามาสมมาสติสมาสมาธินะเป็นองค์ประกอบในด้านการทํางานที่จะให้ การดำเนินชีวิตที่ดีงามนี่เป็นไปได้อัง น, นั้นก็โยงมาหาเรื่องคุณสมบัติสำคัญในด้านจิตวเนี่ยมีสามประการน่ที่เป็นหลักนนส่วนด้านปัญญานั้นก็มุ่งที่ว่าตัวสมาธิฐีนี้จะเป็นตัวฐานรองรับหมดนนปัญญาความรู้ความเข้าใจต่างๆมันก็มีอยู่ที่ว่า มันเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดใช่ไหมอาจารยเข้าใจถูกแล้วเข้าใจผิดเห็นถูกเห็นผิดเน่ยเชื่อถเชื่อถูกเชื่อผิดน่ยยึดถือหลักการถูกหรือผิดมันอยู่แค่นี้เป็นฐานตั้งหมดเลยถ้าฐานผิด ก, ก็ผิดไปตลอดตลอดกระ บ, บวนเลยถ้าถูกก็ไปถูกตลอดกระ บ, บวนเพราะฉะนั้นตัวปัญญาก็มาจับเอาตัวสําคัญที่จะเป็นฐานในการดําเนินชีวิตก็ตัวทิฏฐิเนี่ยถูกหรือผิดแล้วต่อจากนั้นก็อา้าว ไอ้ที่มันจะออกไปสู่การดําเนินชีวิตมันก็ต้องมีความคิดสิใช่ไหมมีความคิดมันจึงจะออกปฏิบัติการได้ก็ต้องต่อจากความรู้เข้าใจเชื่อความเห็นยึดถือหลักการก็มาสู่ความคิดความดําริแล้วก็ไปต่อเชื่อมกับการดําเนินชีวิตด้านพฤติกรรมด้านจิตใจมาช่วยหนุนที่ว่านี่ข้อนี้เป็นด้านของมรรคอย่างที่บอกไปแล้วว่ามรรคนี้เป็นด้านดําเนินชีวิตของคน นะซึ่งว่าไปตามธรรมชาติเมื่อคุณสมบัติอย่างนี้มีแล้วมันดาเนินไปตามกระบวนการของมันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องตัดสมาทิฐิเป็นตัวต้นซึ่งเป็นด้านปัญญาว่าเชื่อคิดเห็นเข้าใจอย่างไรก็จะดําเนินชีวิตไปตามนั้นนั้นฝ่ายมรคนี่จึงเริ่มด้วยฝ่ายปัญญาก่อนใช่ไหมรู้อย่างไรเข้าใจอย่างไร ทำไปตามนั้นและได้ในขอบเขตเท่านั้นด้วยนะปัญญาตัวมีเท่าไรก็อยู่ในขอบเขตแค่นั้นเมื่อปัญญาพัฒนาขยายไปก็โปดกว้างออกไปไกลออกไปลึกซึ้งลงไปนะส่วนฝ่ายศิกขานี่เพราะเป็นการฝึกตั้งใจจะมาฝึกมาพัฒนาชีวิตก็มาเริ่มที่ส่วนที่จับง่ายหยาบนะเป็นเครื่องมือก่อนอย่างที่ว่าก็เอาศีล น, นำนะนะ ศีลก็เป็นฐานเลยเป็นฐานในการฝึกพอฝึกศีลก็เป็นฐานให้ก้าวต่อไปสู่จิตสุปัญญาได้ผลดีอันนี้ก็เป็นอันว่าเป็นความสัมพันธ์ชุโยงกันระหว่างฝ่ายศิกขากับฝ่ายมักก็รวมความก็คือว่าศิกขาก็เป็นการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาชีวิตให้ดําเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องฝึกอย่างไรได้อย่างนั้น เมื่อเราฝึกมีพฤติกรรมจิตใจปัญญาได้อย่างไรเราก็ใช้พฤติกรรมจิตใจและปัญญานั้นในการดําเนินชีวิตนะได้อย่างนั้นนะก็สอดคล้องเป็นอันเดียวกันนี้ขอแทรกอีกนิดหนึ่งว่ามักนั้นนะ่ะบางทีไปพูดเป็นมักแปดมักแปดเป็นภาษาพูดนะให้เข้าใจว่าเป็นเพียงสำนวนเท่านั้นเองพูดให้เข้าใจง่ายๆเดี๋ยวจะเข้าใจเป็นมักมี แทางเขา้าไม่ใช่8ดมักความจริงคําว่ามักแปดเนี่ยเป็นการพูดผิดด้วยซ้ำแต่มันก็เป็นวิธีพูดของคนไทยที่พูดให้สั้นเพราะจะจะพูดเต็มให้ถูกแล้วมันยาวคือคําที่แท้จริงยาวว่ามักมีองค์8หมายความว่ามัก็อันเดียวมักคือทางเดียวแหละทาง ด, ดําเนินชีวิตมันก็ทางเดียวทางที่ถูกต้องแล้วมีองค์ประกอบ8 องค์ประกอบแปดอย่างนี้มารวมเป็นทางอันเดียวไม่ใช่เป็นแปดทางนะเดี๋ยวก็ใจเป็นแปดทางก็ยุ่งหมดเลยนะสมาธิไปทางสมาสังกัปะไปทางเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นทางเดียวกันแล้วก็องค์ประกอบทั้งแปดนี้ก็มาประสานกันใช่ไหมแล้วก็มาต่อเนื่องกันทำให้เราเดำเนินชีวิตไปได้นะก็เห็นจะ จบได้เลยนะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศิกขากรรมะพอเห็นความเชื่อมโยงพอให้จับหลักได้ เ, เวลาพูดอธิบายลึกซึ้งลงไปละเอียดก็จะได้มีพื้นฐานที่จะเข้าใจเท่านั้นเองนี่ต่อไปก็จะได้ไปพูดในเรื่ององค์ประกอบในฝ่ายสมาธิด้านจิตเนี่ยให้เข้าใจว่าอ๋อ ที่เรียกว่าสตินั้นมันเป็นอย่างไรนะและสติสัมพันธ์กับสมาธิอย่างไรและตลอดจนกระทั่งว่าไปเชื่อมต่อกับปัญญายางไรด้วยนะเพราะว่าจากฝ่ายจิตนี่มันก็จะหนุนการใช้ปัญญาให้ได้ผลใช่เคยพูดไปแล้วทีนี้ก็จะดูว่าแล้วมันมาสัมพันธ์กันอย่างไรไม่แน่ใจเมื่อก็นพูดไปแล้วอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสติกับสมาธิ ความสัมพันธ์ระหว่างสติกับปัญญาความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญาพูดไปเลยยางใช่ถ้าอย่างนั้นก็จะพูดซะอีกทีพูดถึงเรื่องเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้ที่มันมาสัมพันธ์กันทํางานกันอย่างไรรวมทั้งความหมายของแต่ละอย่างด้วยนะท่านเราวันนี้ก็คิดว่าเอาเท่านี้ก่อนนะสั้น